สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิดยพิบาลนะครับพี่น้องครับเราอยู่ในกฎทองคำข้อที่6ก็คือกฎแห่งการรับใช้ครับเมื่อวานนี้ผมได้พูดไปครับในการรับใช้พระเจ้านั้นเราทั้งหลายจะต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องในการให้คุณค่าให้คุณค่ากับเรื่องแรกก็คือเรื่องของชีวิตชีวิตนั้นสำคัญกว่าการกระทำ being สำคัญกว่า doing ครับประการที่สองก็คือเราจะต้องเข้าใจว่าพระเจ้าพระเยซูองค์พระวิญเจ้านั้นทรงประกอบพันธกิจครับการที่พระเยซูหรือพันธกิจนั้นเป็นของพระองค์ก็คือสำคัญกว่าเราจะต้องรู้ว่าและสำนึกตรานักว่า พันธกิจนั้นเป็นพันธกิจของพระเยซูไม่ใช่เป็นพันธกิจของมนุษย์ครับและในเช้าวันนี้ผมจะขอเริ่มต้นด้วยสิ่งที่ท่านศาสนาจารย์ดรฟิลิปเทงได้เขียนไว้เกี่ยวกับประเทศเวียดนามซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเรานี่ยนะครับอยู่ในอาเซียนปี1975พวกเราทั้งหลายคงจาได้นะครับว่าคอมมิวนิสต์เริ่มปกครองเวียดนาม และคริสจักรได้รับการขมเห็งอย่างมากมายในเวลานั้นคริสเตียนเวียดนามมีประมาณ 5-6 หมื่นคนครับแต่พอถึงปีคศ1995ประมาณ20ปีเราพบว่าคริสเตียนได้เพิ่มขึ้นจำนวนอย่างรวดเร็วจาก 5-6 หมื่นเป็น5 0 0แสนสิบเท่าครับพี่น้องเรื่องนี้ไม่มีใครสามารถคาดการได้เพราะอะไรครับเพราะว่าการอธิษฐาน งานขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่งานของมนุษย์งานขององค์วิญญาณนั้นก็ต้องทำแบบองค์ผู้เป็นเจ้าคริสเตียนที่จีนแผ่นดินใหญ่ก็มีการเพิ่มจำนวนหลายสิบเท่าและเบื้องหลังของเรื่องเหล่านี้ก็คือการอธิษฐานเมื่อวานเราได้พูดถึงนะครับว่างานขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นก็ต้องอธิษฐานการอธิษฐานนั้นเป็นเรื่องของการตอบสนอง ตอสนองด้วยความเชื่อที่ว่างานนี้เป็นงานของพระเจ้าเราต้องอธิษฐานให้เจ้าของงานหรือเจ้าของภานกิจนั้นจะได้เมตตาให้เราทั้งหลายซึ่งเป็นเครื่องมือของพระองค์เป็นภาชนะของพระองค์จะกลายเป็นฐานพระพรที่จะนำข่าวประเสรินฐนาภานกิจการรับใช้ไปถึงผู้คนต่า ง, งและให้คนเหล่านั้นได้มีโอกาสกลับใจเสียใหม่ครับการ ของพระเจ้าก็คือการทำงานของพระองค์นั้นก็มีสิ่งที่เกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้พเพื่องครับขอให้เรามีใจขอให้เราจัดเวลาและพระเจ้าจะประทานวิธีการเมื่อเราอาธิษฐานในเช้าวันนี้เราเข้าสู่ประการที่สามครับว่าการเชื่อฟังนั้นสำคัญกว่างานรับใช้ เมื่อวานนี้ผมก็ได้พูดไปแล้วนะครับว่าในกิจการบทที่8ข้อ26 27ยิบฟิลิปนั้นเป็นผู้ที่นำข่าวประเสริฐไปถึงขันทีชาวเอธิโอเปียแล้วขันทีชาวเอธิโอเปียนั้นก็กลายเป็นบนรรพชนแห่งความเชื่อของคริสตจักรคอปติกหรือคริสตจักรที่แอฟริกานั่นคือสิ่งที่ได้กล่าวไปแล้วในเมื่อวานนี้ ในเช้าวันนี้ครับเราจะเข้าไปถึงหัวข้อที่4ครับพันธกรก็สำคัญกว่าพันธกิจพี่น้องครับาจะได้ของพระเจ้าในพระธรรมสองทิโมธีบทที่2ข้อที่21ถ้าผู้ใดชำระตัวให้พ้นจากสิ่งที่ไม่มีค่าเขาก็เป็นภาชนะที่มีค่าซึ่งชำระให้บริสุทธิ์แล้วเหมาะที่เจ้าของเรือนจะใช้ให้เป็นประโยชน์ พร้อมกับการดีทุกอย่างโปรดฟังอีกครั้งครับ2ธิโมธีบทที่2อข้อ่ถ้าผู้ใดชำระตัวให้พ้นจากสิ่งที่ไม่มีค่าเขาก็เป็นภาชนะที่มีค่าซึ่งชำระให้บริสุทธิ์แล้วเหมาะที่เจ้าของเรือนจะใช้ให้เป็นประโยชน์พร้อมกับการดีทุกอย่างพระคัมภีร์ข้อหนึ่งครับเยเรยมีบทที่1 5บหข้อ เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ตัดกับเยรมยีผู้เผยพรจชนะของพระองค์ว่าดังนี้ครับถ้าเจ้าออกปากพูดแต่สิ่งประเสริฐและไม่พูดสิ่งเลวทรามเจ้าจะเป็นเหมือนปากของเราเขาทั้งหลายจะหันกลับมาหาเจ้าแต่เจ้าอย่าหันไปหาเขาโปรดฟังอีกครั้งถ้าเจ้าออกปากพูดแต่สิ่งประเสริฐและไม่พูดสิ่งเลวทราม เจ้าจะเป็นเหมือนปากของเราเขาทั้งหลายจะหันกลับมาหาเจ้าแต่เจ้าอย่าหันไปหาเขาพี่น้องครับภาชนะที่มีค่านั้นเป็นพื้นฐานสําคัญของการทำธรรกิจที่ยิ่งใหญ่เหมาะที่องค์พระบุญเจ้าจะทรงใช้ภาชนะแบบนี้ครับเป็นภาชนะที่พระองค์โปรดปรานทั้งหมดนี้ก็เกิดจากคนทํางานก็คือเราทั้งหลายครับซึ่งเป็นพันธกรขององค์พระบุญเจ้า ซึ่งจะต้องมีสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งก็คือชีวิตที่บริสุทธิ์ชีวิตของเรานั้นจะเป็นช่องปากให้กับพระเจ้าของเราเป็นปากให้กับองค์พระเยนเจ้าซึ่งเป็นภานกิจที่ยิ่งใหญ่มากเป็นกระบอกเสียงของพระเจ้าเป็นประกาศศกของพระองค์หลักการก็คือเราจะต้องแบ่งแยกให้ชัดเจนว่าอะไรเป็นสิ่งที่มีค่า อะไรเป็นสิ่งที่ไร้ค่าอะไรต่ำช้าอะไรสูงส่งอะไรดียอดเยี่ยมอะไรเลวทรามก็คือจะต้องแบ่งแยกตัวเองหรือที่เรียกว่าเซปเปอรชั่นแบ่งแยกตัวเองรักษาความบริสุทธิ์ไว้พระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์พระเจ้าทรงใช้ภาชนะที่บริสุทธิ์เท่านั้นภาชนะที่บริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะทำงานที่บริสุทธิ์ได้ พี่น้องครับอย่าลืมครับว่าชีวิตสำคัญกว่าการกระทําและพันธกรสํสำคัญกว่าพันธกิจพี่น้องครับในพระเจพระเจ้าเยเรมีบทที่6ข้อ 29.30 ได้กล่าวดังนี้ครับเครื่องสูบลมของเขาสูบอย่างดุเดือดตะกัวก็ถูกไฟเผาผลาญเสียทะลุงกันเลื่อยไปก็เปล่าประโยชน์เพราะว่าคนชั่วก็ยังไม่หายไปได้ จะเรียกเขาทั้งหลายได้ว่าเป็นขี้เงินเพราะพระเจ้าทรงปฏิเสธเขาเสียแล้วพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเศร้าครับพระเจ้าปฏิเสธและพวกเขาจะกลายเป็นเรียกว่าขี้เงินเพราะว่าความชั่วก็ยังไม่ได้หายไปจากชีวิตของพวกเขาภาชนะเหล่านี้ครับไม่สามารถกาจัดความชั่วร้ายกาจัดมลทินออกไปให้หมดได้ จึงถูกทิ้งไว้ข้างๆน่าเสียดายไม่ได้ใช้เพราะภายในของมันมีเนื้อเงินแท้จริงเป็นภาชนะมีค่าแต่เสียดายถูกปะปนด้วยขี้แร่ด้วยขี้แร่ที่ชั่วร้ายเหลวซามซึ่งไม่สามารถมซึ่งไม่สามารถถูกชำระออกไปได้เพราะมันไม่ยอมให้ถูกถลุงสุดท้ายจึงต้องถูกทิ้งเนื้อเงินกับเศษตะกั่วปนปนกัน มันสูญเสียคุณค่าของเงินมันเสียของและนี่คือที่มาของความเศร้าใจครับพี่น้องครับพันธกรสำคัญกว่าพันธกิจหลายครั้งเราให้ความสำคัญพันธกิจมากกว่าพันธกรก็กไม่ถูกต้องเราจะต้องให้ความสำคัญของเงินของคนมากกว่างานนั่นคือสิ่งที่พระคัมภีร์ได้สอนเอาไว้ชีวิตของคนที่บริสุทธ ก็สำคัญกว่างานที่เขากำลังทำอยู่เพียงครับประการที่ห้าทีมงานสำคัญกว่าทำงานเพียงคนเดียวกิจการบทที่13ข้อหนึ่งครับคราวนั้นในคริสต์จักรที่อยู่ที่อันทิโอคมีบางคนเป็นผู้พยากรณ์และอาจารย์มีบบัสซิเมโอ온ที่เรียกว่านิกเกอร์กับลูซิอสัสชาวเมืองไซรีน มานาเอนผู้ดับการเลี้ยงดูเติบโตด้วยกันกับเฮโรดเจ้าเมืองและซาโลคนเหล่านั้นกำลังนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าในพระธรรมกิจการเราจะเห็นเยอะแยะครับกิจการบทที่6ข้อ4ที่พูดถึงเรื่องทีมงานฝ่ายพวกเราจะขมักขม้นอธิษฐานรับใช้พระเจ้าในภารกิจแห่งพระวจนะเสมอไปฝ่ายพวกเราจะขมักขมนนั่นคือทีมงานที่ขมักขมนกิจการบทที่16ข้อ25ก็กล่าวว่า ประมาณเที่ยงคืนเปาโลกับศีลาดก็อธิษฐานและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเราจะเห็นว่าการทํางานของท่านอาจารย์เปาโลกับศีลาดนั้นก็เป็นทีมกันกิจการบทที่3ามข้อหเปตโตกับยอนกำนํำลังขึ้นไปจะเข้าบริเวณพระวิหารเราเห็นครับเปตโตกับยอนซึ่งเป็นสาวกดวงในของพระเยซูตั้งแต่ที่พระเยซูยังทรงพระชนอยู่ในโลกนี้นั้น ข้มังพีต่างๆที่อ้างอิงมานี้เราเห็นว่าทีมงานที่ดีเลิศนั้นมีคุณค่ายิ่งนักการร่วมใจการประกาศเข่าวประเสริฐเป็นทีมทีมงานทีมงานของผู้รับใช้ทีมงานของผู้เลี้ยงทีมงานของผู้นาพี่น้องครับเราจะต้องปรับแต่งความรู้สึกความคิดให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้ได้การปรับแต่งนี้เกิดขึ้น จากการเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าเห็นแก่งานของพระองค์หลายครั้งทีเดียวเราเห็นแก่ตัวมากกว่าเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าเราไม่ยอมถอยเราไม่ยอมแพ้เราไม่ยอมที่จะละอีโก้ของเรานั่นแหละครับคือที่มาของทีมงานที่ไร้ประสิทธิภาพทีมงานที่ดีเลินั้นมีคุณค่าครับและทีมงานที่ร่วมใจกานประกาศเก่าประเสริฐพระเจ้าจะอวยพร ท่านศาสตราจารย์ฟิลิปได้เป็นพยานถึงผู้รับใช้ในคริสตจักรจีนหลายคนมีตะลันครับทำงานคนเดียวมีสีสันมากแต่เมื่อร่วมทีมกับคนอื่นก็จะมีอุปสรรคและปัญหามากมายไม่เหมาะที่จะทำงานร่วมกันนี่เพราะว่าขาดทัศนคติของการทำงานเป็นทีมหากสามารถร่วมมือร่วมใจทำงานสนับสนุนซึ่งกันและกันได้การสำแดงออกหรือผลของงานนั้นก็จะดียิ่งขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้นหลายเท่านักผู้รับใช้พระเจ้าผู้นำข้าตาชการทุกคนต้องเรียนรู้ที่จะร่วมงานกับคนอื่นในด้านอุปนิสัยท่าทีและทัศนคติทัศนคติท่าทีในใจนั้นสาคัญครับแรงจูงใจสาคัญมากที่สุดอะไรที่อยู่ที่อยู่ข้างในต้องบริสุทธิ์ต้องชัดเจนต้องมีแรงจูงใจที่ถูกต้องก็สามารถตอบสนองอย่างเหมาะสม และสามารถปรับปรุงแก้ไขได้และสามารถที่จะถ่อมใจอ่อนสุภาพร่วมเดินกันไปกับองค์ผู้วิจ้าได้ในรวมบทที่12บสข้อสิบและข้อ16ครับได้ลกล่าวไว้เป็นคําของจามโบโลซึ่งเตือนสติผู้ร่วมงานอย่างมีคุณค่ามากเลยทีเดียวผมจะขอใช้ข้อนี้เป็นการจบการบรรยายในวันนี้ครับพวกเราเป็นกายเดี่ยวในภาษกฤษและเป็นไอไว้วะ แก่กันและกันจงให้เกียรติแก่กันและกันจงถือว่าผู้อื่นดีกว่าตัวจงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่าไฟสูงแต่จงท่อมใจลงยอมทําการต่าอย่าถือว่าตัวฉลาดพี่น้องครับเราจะต้องเรียนรู้ในการร่วมงานกับคนอื่นด้านอุปนิสัยปรับเปลี่ยนทัศนคติท่าทีแรงจูงใจแล้วแล้วก็ เราก็จะสามารถตอบสนองอย่างเหมาะสมและสามารถปรับปรุงแก้ไขท่อมใจรับการเปลี่ยนแปลงมีจิตใจที่อ่อนสุภาพร่วมเดินไปกับองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยกันอาเมน